ตามเลืองของเราหญ่เรือขอคนเรากำลัมีเ่งกายกับเรื่อของกายของใจก็มีปัญหาจะแก้ปัหาเรื่องของาอขอ ง, ขอ ง, ขข ง, ของได้เาต้อปฏิบัติธราการปฏิบัติธรก็อมีสติ การฝจเใจอากนี้มันจะเกิดขึ้นอาะเกี่ยวข้องกับิงที่มันเกิดขึ้นกัใจกอย่างไ้เพื่อเป็นความถูกต้องการจะวัดปฏิบัติปฏิปัสสุตโตสอบเท่าทัวตัวสอบดู สัตสิงนนทองอดหลานของเราปใา้เกิดความเป็นทรงแจง่สิ่งมันนัน้นเดี๋ยวนี้ถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรม้าหวางกายระหว่างใจก็ไม่มีความเป็นทรงต่อกัถ้าเบียดเปลี่ยนใจใจเบียด เมื่อพัฒนาเมื่อดูแลก็จะไม่ชำนาญเหือนผู้ใหญ่โบราณมีามเป็นศาสตร์มีปัญญาลอบลับเอาผู้ที่มีควาเป็นธรรมมามีความเป็นกลางคอยที่จะทีบอกพิดบจน์เอาไปสอนดีขนาด คามเริญขึ้นความคิดคลายเป็นความกความทุกข์คลาเป็นความไม่ทก์ความหลงคลา็นควหลงเราต้องมาศึกษาเรื่องนี้กันเราจะต้องเ็นผูีมีใครมีปัญหาต่อไปเรื่อยๆันแทบจะเราสวดมนต์ธรามวัตรนะเราจบความทุกข์จังแล้วความมความทุกขเป็นเรื่องหน้าแล้ว คามเริญทางทาที่สุดแทนของทุกขังสิ่นี้จะคป็ปรากฏแค่เดียได้เราจะรู้ทุกทิศตอบพระพุทธเจ้าทุทิศก็คือทำตางแต่เราอยากเราอยากก็พระพุทธเจ้าเราอยากก็ทำเราอยากก็สงฆ์เป็นบบบับประคิดประคิตแต่พระพุทธเจ้า แค่นั้นเองคุถานสติธรรมาสติจักานสติจะคิดขึงอารมณ์ความรักความโกรธคโลภควลงคิดถึงกาานสติคิดถึงีาุสติทีมารนสติค่นเแต่คิดเึ็ามตัวเองแเะมโกามาุ มาออกอากาศเพื่อมีสติให้มีสติพราะว่าคอยดูแลการจัดร้างถ้าไมีกรสราสร้างขึ้นการสร้างสติเรียกว่าภาวานาเพื่นนอพายามเช่นนให้ใส่ใจเรามีอาชีพอะไรซะจะทอดทิ้ง ติดต่อยอดทำมีความเพียรในเจตนาที่จะรู้อยู่ตรงไหนก็ช่วยโอกาสวัตถุที่จะรู้ที่มที่จะรู้ก็จะนังขึ้นจะไปคิดรู้ลอยๆให้มีวัตถุที่จะรู้มีที่ตั้งในการกระทามเรียกว่ากรรมฐานอาสติมาทำไว้ทีการ เป็นหล <cke on. S 1> er. นะสติมตั้งไว้ที่กายก็เปิดตาเห็นหาใจอเป็นทางผ่านตามไปพูดยแล้วมอนทางภาคีพชมทางโพล่าชทางกใหญ่เป็นทส่นางของตวันดไปทุกตบดที่จะแยกกันตรงนี้ไปสวรรค์ ถ้าเป็นทางของชีวิตไปสวรรค์นรกไปนิพพานไปเป็นเปสุราผ่านตรงนี้ตร้เออะได้พบเห็นมันเกิดขึ้นเกี่ยวตัวตากับใจหมอนมันเป็นสิ่งอย่างไรเป็นสมาธิอย่างไรกิเปสอย่างไรกิลมุนอย่างไรกิมหาอง แล้วเาสางเได้ขบเห็นได้การศึกษาเนจะมาต้องเป็นการพบเหไม่ใช่คิดเห็นแต่คิดเห็นมันไกลแต่พบเห็นมันอยู่ใกล้ๆของที่อยู่ยมันจะไม่ชร์น <c oughs> ของที่มันอยู่ใกล้มันจะไม่ชร์ ถ้าพบเห็นมันอยู่ใกล้ๆนี่หรือทุกนี่หรือเห็นให้เกิดทุกนี่ทุกคนกราทบการมันไปกาคิดเห็นมันไปลบมันเหลือคนเราฝากวมาเดี๋ยวคิดเอาบนเท่าไรบนคนคิดว่าเป็นอ่านอย่างนี้บาปก็เป็นอย่าน้อย่างนี้กลัวถ้เห็นเราไม่กลัว ถ้เรากลัอสมมติว่เคิดเจ็เ็มันจะเป็นอย่างนั้นจมันจะเป็นอย่างนี้สัพกนัไม่กลัวอะไรที่มันจะเขนอกสิ่งที่พวเห็เป็นของสิ่งที่ดม็ของเกเป็นูน่ะ ออก p ป็นโอ้ไรูยู่แต่ร o ้อยู่มันจะเกิดอะไรขึ้นบางคนยัง o ยู่เราดูอยู่เนีกวันการปิดผ้าแต่เราดอยู่ความอเห็นความดอนน เด็กเขาท a บ้านด s นเคยเกิดการเสียหายมากพอสมควรไปตัดมาก่อนไม่ได้ดูแล้วก็มีผู้ดูแล้วมีวอล i ์ร็อกมี o ู้ดูอยู่เราไปเออดูทั้ i หมดเลย a p าบ้านดินม e นยังไงพอไปดูแล้วโอ้ไปตัดไม้ไฟไม้ไฟก็ตัดไม่เป็นตัดระัง ไม่เลยไมมใบเลยอันก็ตัดง่ายไม่ไปที่เกิดปีนี้มันก็อยู่นอกนอกคอเด็กวัยุ่นไปตัดล้วตัดเอามาทำเสียหายมาโอ้หวงพ่อเลย่มันเช่นไรได้ถ้าจะตัดอะไรตัดไม้อะไรจะทําไต้องให้บอกหลวงพอกอวพอู้ดีเรื่องอาาจักป่าไผ่ไม้ไผ่อานาจักต้นไม้ แล้วลูกจะกันดีก็เลสอนเขา <c oughs> สอนเรื่องแม้ไผ่กาจัดไม้ไผ่ไม้ไผ่ที่ต้งแต่มราเกิดหนอนกระต้นไปหนอนไรที่มันเกิดออกไปตอนไกลไกลก่สมหน่อยแสดงว่าหนอนไป่นอนนั้นมันกำลังจะสืบเสูลของก่อไผ ก็่ขึ้นอยาพขึ้นไปแล้อยู่มัจะซึมเชื้คุณมันจะเกิดลูกพอ r าต้นมันเกิดกำลังไปสร้างลูกแต่พอลำเล็กๆมาเน o ่ยเป็นล o โตๆไปนี่คนพนอเดกลว่านอนดดิจากออกก็เสีย อนเสแยใจพยายามจะเกิดก็เกิดไม่ได้ต่อไปสอไปสอบมก็เลยไม่ขึ้นก็เลยมาขึ้นเป็นหน่อไม้สออตากอสอบขึ้นไปสอบขึ้นไปมันก็รังไม้โตเรยว่าหน่อศอกมันเริ่ก็ขึ้นโคลนมันไม่สามารถที่ออกหน่อได้มันก็ออกตัวสั้น่อไปนี้ตัวเรา สร้างโลกได้แล้วโลกเราโถค่ากันแต่ก็จะเติรอยู่พอเราจะต้องไม่ร้อยแล้วตอนนี้เราจะต้องออกโลกออกออกมาออกผลเมื่อเราออกมาออกผลเราจะต้องตายนะแต่เสียสละชีวิตขององเราเพื่อให้เกิดหมากเกิดโทมเกิดอะไรก็เกิดหมากเกิดคีดระเบตาแล้วก็เสียสละหมากหล่นลง เปต้นกล้าใหม่าเริ่มชีวิตใหม่นัอวันน้นตอต ja like, ้นายที่อยู่นอกคนเา็จะไปตัดพยยามไปตัดมานให้ตัดต้นที่อยู่กลางต้นเกศแก่ถ้าเราตัดเป็นมนอกงเจะเริ่มนะค้าเตัดไมเมก็จะเกเลยสอนเขาต้องกลาวว่าจะสอนลือประตานนี่หลพอแล้ว จะหาวิธีมาให้เอาไมาแม่ทาก็ไม่มีประโยชน์เพราะต้นไปมั น, น อ, อ่อนๆเพาว่ให้เดยว้งกแล้วตัดไม้ห อ, อกม้ตรงพอใหญ่ๆลำใหญ่ๆเอาแก่ๆ ม, มาสา น, นเป็นรดามันีเ ถ, ถ้าตายไฟตรงไหนตพเเตต ปายไผ่รเกงกาศาไปฝ่าไผให้ช่วยกันเ็ผลทิ้งจะใช่แรงงานเท่าไรแล้วก็รับผิดชอบกาผลยอดไผปาที่ตัดออกไปนี้แล้วก็รายคนแล้วเลยผลเะไดจะเป็นสินตะนุนจะเกียรตการใช่ไหมอ่าทำไมเราไม่บอกเขาเพราอยู่ป่านะถ้าอยู่ไม่เป็นก็เกิดปัาที ตามีก<บ>ารขุดดินคนเลก็อะอรก็หมดเลอ่ก็คิดมาคิดเห็นวินัยข้อที่รูจาวพิสุขขุดเองก็ดีใช่ผูนขุดก็ดีซึ่งกันดีต้องราคิตีเนี่ยนี่หลักตัวจริงมาเถิดกันแล้วรากกตีตรงไหนก็ดินเป็นรูเป็นบ่อเพื่อต้องหาดินมาโผลมาถมมาเลยเจอตัวเป็นระเบียบเรียบรย <ces> ้อยนี้กอในวามเป็นธรรมนะเราอยู่ตรงไหนก็ในความเป็นธรรมต่อทุ ไม่เบียเรียนอะไรไม่เียดเียน้ไม่เบียดเรียนน้ำไม่เรียกเบียนสัตว์ชัสัตต้นน้อยพวเขาไดว่าจะพวกคนแมแต่หมดเมล็ดก็ไม่เรียกเบียนนี่เาเรามีความยเหนี่ยใาม็นธรต่อทุกสรสิ้งเราตอบแทนแม่เาดูธรทมญติเรา่วยดินช่วน้ำชวยป่าช่วยเมล็ดช่วยอาก เพื่อสร้างธรมาชาติให้มันขึ้นเปิดตัดสมดุลเราจะต้องช่อกันแยกหายช่วยพวกเขาต่อเจมิโนเราไปโคบเขาเราเราก็ไปสอนต่อมาวานนี้ให้ให้จะเปียนเกจะทำอะไรมันผิดเพี้ยนมันปกติอย่างยิ่ อันดีก็เก่าถ้าทำแล้วมันสุดมันสมเราก็แก้กันคอยดูแลเป็นหมูเป็นตาช่วยกันเราอยู่ทีนี่เราอยู่ป่าป่านี้ไม่ใช่เราเป็นเจ้าของดินนี้ก็ไม่ใช่เราเป็นเจ้าของคนที่เป็นเจ้าของตันน้อยในวัดเรามีเจ้าของหกสิบกว่าล้านคนตนน้อยจนมีเจ้าของหกสิกว่าล้านคน ปื้นดินตะรางวาตะรางเน็ตตะลังขื่อตะรังสอบมนเจ้าของหกถือกวา้านคนเขาจะทาอะไรที่ันเสียหายนี่ไม่เนี่ยเป็นความคิดของพวกเราความรู้สึกของพวกเราแม้เราก็ปฏิบัติเพื่อเพื่อเกิดความเป็นต่อทุสสรรสิทธิ์และจะต้องไม่เห็นเพีงนเองแลบไม่มเีนที่เสว่า่นเข้มข้นโกรธแรงบียยนตน การเปียนแปลตนเป็นความทมันเป็นบการทามด้อะไรเลยทำให้ตนตื่นทาน้นเราทบาให้เราเป็นโทษเพระนั้เป็นปนะเป็นบอโทษตัวเองถึวันนี้เสด็จนะการู้ตัวเนี่ยการรู้ตัวมนจะความทุกการรู้ตัวมันจะความดีการรู้สตัวมันจะกิล้อริสุขนะารลดโทจากตรงนี้ ดูแลตรงนี ie, like you, uh, uh, like right? ้เราเตือนเราสงบลงเย็นีอดีรัเนี่ยมันเดียวมาถูกต้องที่สุดถ้าเราติดถ้าเราหองมาถูกต้องความหลงมัจะไม่เกิดอนาธิปัตย์เจนพระพุทธเจ้าประกาว่าความหลงเนี่ยมาโดยโยนคนหินหนักๆลงใส่เวลองใส่ขีโค เ okay. ั น, น ก, ก็กนกนกน ย, ยก่อโจมลงไปเหมือนตาเห็นโลกมันโจมลงไปฝักลงไปถ้าไม่เกิดความยินดีฮะเกิดคายินได้หูได้ินเสียมันเกิดโจมลงไปถ้าไม่เกิดความรับความจำมถ้ามีสติเหมือนทิ่งปุยฝ้ายลงไปในกระดาที่มีพื้นไม่มีกแกะมันก็ไม่โจงไม่ไปทบกระเทือทน คนมีสติไม่กระทบกระเทือนพราสตินี่รู้สึกลองรับนะลองรับทำให้เกิดความเป็นธรรมเบาเบานะเป็นการตบาเบาก า, ายราวตาเบากายจิตล้วาตาเบาจิตนะมันตบามันไม่นักมันไม่โจมมันไม่เก็บปว ด, ดมันทิ้งคุยปลายใส่พื้นกระดาน ไ, ไ, ไม้ไม่กระทกระเทือนไปไกล จะพูดจคิดจะทำสิงใดไม่มีคนกระทบต่อตัวเอะนืนเนชาตธรมดานี่นถ้าเราอยู่รมกันในโลกโดยคนักิอตงนี้อคสมงคลองแแต่ที่มันจะเกิดได้ราจะต้องมาผุดผัดนะให้มีสตินะมันจะเห็นควผิดมันจะเห็นความผูกนะความิดันจะเหกอ ว่ามันไม่มีอะไรที่จะผิดเท่าั้นเท่าความผิดมันก็เป็นผูกเท่านั้นในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะทุกข์ถ้าไม่มีทุกข์มันก็ไม่มีอแล้วพระนพรพเจ้าพระพุมามติเดงนี้กายเกิดทุกข์กายยิ่กิทุกข์ทุกของกายจมีมากแลต้องหายใจเข้าต้องหายใจออกต้องกินต้องหายต้องหลับต้องนอนต้องพู่เรียกเพื่อนไว้ต้องเดินต้องยืนนั่ง แต่นี้มันเป็นแก่ทุกมันเป็นก้อข้อทุกมันเป็นกองทุกก์เราเดียต้องไปให้มันโกรธป้าโกรธพ่อโกรธไปทั้งสองอิมาสงสารลูกลูกนี่เป็นเรื่องที่น่าสงสารมากเราช่วยกันช่วยตัวรมันอยู่แล้วเรจะไปเอาความรักความช่างความโกรธความโลภความร้องไปใส่กันีิมันก็ยังแบกเข้าไปเป็นภาระ วลาสวดภาหาเวกันจับขันถาขานถางหนักขปแล้วจะอุปทานอะไรเข้นไปแบบก็ไปติดผมไปพักเข็มซ่อมเติมเข้าไปมันในส่วนก็ลำกสงสามสมสามสมสามลูกเนี่ยหน้าสงสามจะคอยช่วยลูกของเราน่อยาให้ลกนเป็นทุกอง่าเพิ่มจะเติมถ้มันเป็นขัดสมัยชาติ เป็นสภาวธรรมตามธรรมชาติเอ า, าธรรมชาติเรานีมาศึกษามาดูมาเรียมาเห็นใจเห็นใจก็อย่ากองให้ทำอะไรมากมายมันเป็นธรรมชาติเป็นสภาวาานะาธรรมรุ่นะออาเป็นปัญญาจะซ่อมเติ ม, มออกมาเปิ ด, ดเผยธรว่า ก็จะต้องปจนตาจะต้องหลงจตาจะต้องกจายนีมีกโหลงเันสุดท้ายเนี่ยมันทได้อยู่ีผู้ปฏิบัติได้อยู่กีมีผู้ทได้อยู่เราได้จริงวาคนาคนไม่ไม่ก็ได้เราใช้สของเราไม่หลงกได้เราใช้ แห้เนความไม่กลวเวลาใดมันทุกเราใช้สิทธความไม่ทุกเวลาใดมันหลงเราใช้สิทความไม่หลงัใช้ตัวนี้ตารงจับถลองไปสงกตัวกอคู่ชีวิตขึ้นมาเหมือาตกหลบมันถอนตัวออกเกหลงคนเราเมื่อมันมีทุกข์ถอนตัวออกเกทุกข์เมื่อมีความหลงถอนตัวออกเกิดหลง เมั่มีต้โกรธถอนตนาจากนโกรให้รู้จับถอดจากนี่รู้จับเฉลี่ยความหนักให้เป็นเอาความให้เป็นถูกเรียกว่าปัจจิพัทําเรากำลังทำอยู่นี่เราเห็นอยู่มันผิดไหเวลาเกิดจสตวิบากลงไหมมันลงไหมนั่นแหละหมดเกลี่ยของเราเลยเวลามันลงเราจะไำยังไงฮะรู้สึกตัวมาอยู่ตรงนี้ คิดไปทาไมถึงใจคงนคิดไปทาไมถึงรีลมแล้วนั่งอยูนี่แคเาอยก็ตัวองว่าเวลานอนาตรงนี้หายใจอยู่นี่นะให้ใจระเบียบหนะถ้าไม่หาก็ไม่เป็นมันซุบซนนะพรวันมันเป็นทีอเรามันเป็นวัตถุกลางคนาหูอมูกลิ้นกายใจรูกรสกลิ่นเสียงเนี่ยมันเป็นวัตถุแหงที่เกิดแห่งกลางคนทลาย มันก็ไปไกลมัน้ายนะเอนอคดีความรูปไปืยเหมือมนสอนสัตสอนชาติ้าเราสอนเป็นมาบอกไปราถ้าเราไม่สอนหรือสอนเนี่ยเป็นให้สิ่งแวดลอมไม่ดีให้ข้อมูลไม่ดีมันก็พยศมีชิเียเช่นจิตใจของน่ยมันก็เป็นเรสอนาคิดจิตใจก็เมันเป็นลรสอนคิด ถ้าเราคุณว่าเรเป็นคนเป็นประยชน์ปาไปถึงมากถึงผนะเราจะทางานง่ายเอราเราขอให้รับเป็นคุลส่วนนี้ทุวทีวิตรรับผิดชอบมาเรียนมารู้มาฝกขัดตัวเองศาสนาเรอยู่ตรงนี้คือคนไม่มีปัญหาคนไม่มีทุกคนมีคนคนร่ำช่ำศาสนาไมปเจริน ศาสนจะเล่นไม่ว่าสวยๆงามกสงามากอ่าเืองรเทวะรอ่าใสนจะคือเียนมทกมเบียเนคนม่บียนค่นเนี่ยมีคาทมีสิมีสมามีประโยชน์ มีความเมตตาตุลาไม่สติเี่ยเพราะสร้างตุลาเราเพราะสร้างได้ไม่ใช่สร้างไม่ด้อยากรู้อะไรก็หายใจเข้าก็รู้สึกตัวได้ติ๊ตารู้สึกตัวได้ถ้าเนี้ความรู้สึกตัวเนี่เหมือนมีพ่อมีแม่เริ่มจากพ่อจากแม่ถ้าไม่มีพ่อมีแม่แบบพักความเป็นพ่อเป็นแม่ของชีวิตคือ เป็นคุณธรรมคือสติความเป็นพ่อแม่ของลูกกายคือพ่อคือแม่ผู้ให้กําเนิดให้เราเกิดสองสองทีเถอะเกิดใลดจลูกใจสาวมาเกิดคุณธรรมให้มันเกิดขึ้นมาเริ่มตั้งแตความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเป็นมารดาของผู้สอนและธรรมาจา้างได้เลย เกาะเกาะเพียรเป็นสมมเวลาใดมันหลงลูกาไปสัต์เอความลูกเไปเฉลยเอาความลูกเไปลูกไปเห็นออะไรเราคิดไปคมคิดันมีสองอย่างคิดแบบไม่ได้ตั้งใจคิดแบบตั้งใจการคิดแบบตั้งใจท่านเรียกวิชาการคิดแบบไมได้ตั้งใจเรียกว่าอควิชาอ่ มันอาจจะมากกว่าคิดแต่ไม่ได้ตั้งใจทำรู้ต้องตรวจสอบมันก่อนทำทั่วมันกอยุดมันก่อนให้มันถูกสอนนะมีไหมบางทมัน ค, คิดหลงไปหมดมีมันมีมากกว่ารูตไไ้ตัวหลงไปแล้วกคิดเนี่ยเรก็รู้สึกตัวเวลาหลงคิดไปทีไรก่ มมาเดินจงกรมนะแปว่ายิ่ติก็กลับมาอีกกลับบ่อยๆกลับบ่อยๆทําปทมาเท่าหรที่จ่องเพราะทไปทำไปเท่าไหรที่จะรู้นะก็พัฒนาแิว่าพัฒนาจะเริ่มขึ้นได้ถ้าเราไม่หัก ข, มาามมข้มากขึ้นขึาหาโลกหาโลก่าขึ้นมาขึ้นมก็จะเกิดสิ่งแวดล้อมให้ข้อมูลดีๆาทราบจังหวะการมาานายตาะเดินจักรตาทราบจังหวะยกมือเกิดอเี่ยป็นการให้ข้อมูลชีวิตเราอยากูกต้องหาให้ข้อมูลชีวิตให้มัน ข้อมูลในผมกันล้มไปเห็นตัวนี้ในการข้อมูลชีวิตเราโลกหลางเรามันได้รับข้อมูลที่ผิดๆมาทางดาวเทียมมาทางสื่อสารมาทางอะรต่างๆนี้โลกหลอนเรารับข้อมูลมา ถ้าได้รู้สึกตัวถ้าได้เข้าถึงความรู้สึกตัวแหวมันไม่เปล่ยนเลยไม่มีอะไรที่จะบริสุทธ์ปอดภัยทางความรู้สึกตัวมันไม่ทางควาร่วงความหลงไม่มีความเป็นตางไม่ถูกต้องมันไเอากแต่ตน้เอาทุกอย่างเาจะเพื่อเพื่อว่าออกปะตอนนี้ควรู้สึกตัวก็เลื่อนแต่ไม่เอาอคิดมาอุ้ย รู้เสร็จตัวแล้วมันก็ปฏิบัติใช้เองเ e ร็จอาจารย์หลวงมัตต์ตอนหลงเพียงใด r ันก็เปลี่ยนตัวลูกมันจะติดตรงไหนมันจะสุขมันจะทุกข์มันก็รู้เข้าไปใสตัวล s กเลยก่อนตัวลกสืบตัว l อยเหนือเหนือโลกตัวลูกสืบตัวเหนือโลกอยู่ือโลกคือยู่ในรักษแบบโดูเแบบโดกันเท เป็นภาษาคนเราจะปีพานอยู่ตรงไนเราจะไรลี้านอยู่ตรงจะตุทชาลันปัญจมาชานระหว่างฌานที่สิบกับฌานที่ห้าเอคือไม่ไม่มีการไม่มีคาว่าเก็บปวดมันอยู่ลอยอยู่ตรงนี้เวลานั้นพระมรุทัก เพราะอาโนนเป็นผู้อยู่ใกล้อยู่ในตาาัวเรืตาและาคอาโนทาจะต้องบอกนเพราะผู้ที่มีถามกร้องาก็รูเหมือนเราเป็นหมอเป็นจรก็รู้จักไปดูในสภาพาก า, า, าะพอคนไข้บอกเราก็รู้ว่าเป็นโรคอไ อนุรัติดูเลยตางอาภาษณ์ของครูเจ้าอย่างกคิดสหรับิพระนมไงหลวงคอยถามอานุรัติเลยสมบัติครูเจ้าอย่างไหนเธอเนี่ยอุตอกอยู่ที่ปฐมฌานอังนี้พานเยนย้กํากลังเกี่ยวในปฐมฌานทุติยฌานปติยฌานจตุชฌานปัญจฌานก็ในพานในสมบ กันไ้เรามีไหมเวลาเราเก็บหมดตัวอย่กัความเก็บเวลาเราทกข์ไปหมดตัวอย่ก็ความทอกเวลเรากรธเราหมตัวอยกัความโกนั่นไม่ไดศีลละาปการเกิดปฏิบัติธรรเนี่ยมันทำให้เกิดศีลลบาของชีวิตนะมันจะยเสธชีวิตของกเรามันพนาได้ จะไปอยู่ไอ้สรงนั่นจะไปอยู่กับกองรักกองชานจะไปอยู่นความองศกกองโชคจะอยู่กับกองกลอมมันเป็นโลกโลกอยู่ในนั้นเหนือน่ะหน่อยเห็นแล้วก็ไปบอกแบบภาษาแล้วก็ให้ดูเป็นผู้ดูอย่าเป็นผู้อยู่เป็นผู้เห็นอย่าเป็นผู้เก็นเช่นมันหนาวเนี่ยอันนี้มันหนาวเป็นผู้หนาวหรือว่าเห็นมันหนาว เป็นผู้หนาวอเห็เนมันหนาวถ้าเป็นผูน้นาวก็หมดตัว ห, <c oughs> หมตัวถ้าเห็นมันหนาวเนีออกมาดูแลทีเราโกรกเเป็นผู้กรกหรือว่าเห็นมันโกรกทตรวม่มนะมบ้านะทำให้เป็นการบ้านไมเป็นการาตลอชีวิต เราอยู่เราเป็นลูกโกรธือว่าเราเหนมันโกถ้าเป็นลูกโกรธยกตัวออกมาเห็นมันโกรธมันจะเป่าวิวเป็นช่องขาดมีเนื้อขันแก้ได้มีปมไม่ยุ่งไม่มันจะได้ที่มันมันพอที่แก้ออกแก้ปมมันออกแต่เป็นเรมันแก้ไมมันหมกมุ่นอยู่เลยไม่เห็นเมื้อขันเห็นมันกรธนะ แต่ว่าแกถ้าเป็นผู้โกรธต้องตายกนถ้าคุณได้โกรธตายก็ไม่้ถ้าคุณได้โกรธคุณต้องตายก็เธอมร่ั้นอันที่ว่าเรามาดูเรามาดูดูอะไรดูกายเห็นไหเห็นใายเห็นเวทนาเห็นความคิดไหมเห็นทางมที่มันเกิดขึ้นจากใจไหมเป็นกุศลนวางงงงน เป็นเป็นอกุศลเกิดความโมโหเป็นกุศลเกิดความชั่ว้ายมีสิ่งมีสมาธิใจดีขนานี้มีนะเราไม่ใช่จะอยู่กับอกุศลเรอดเวลาเราก็ต้องออกมาบางคอิ่มใจดีใจใช่มบางครั้งก็เศร้าใจช่ไมเออเปลี่ยนนะเห็นกุศลเห็นอกุศลมันเกิดขึ้นนะเราก็เห็นได้เห็นความโมวเห็นความมาเลยสงสาย เหรนความคิชอต่างเห็นทยบางทีอยู่ดีๆก็เกิดทายาเกิดตามราปฏิกเห็นมันจรมามันจรมามาอาศัยมาทานนะแล้ก็รู้เขเห็นรู้จุดตัวอรู้ตัวสิ่งอะไรเราหายไปสิ่งวัตถุที่ทำใเกิดของรู้เราพวกนี้พลิกมาลื่อนไปไมาเดินจังกองในเราสร เเป็นผู้ดูอย่าเป็นผู้อยู่อย่าไปอยู่ความสุขอย่ไปอยู่ของทุกข์เห็นมันสุขเหนมันทุกข์จะอยู่นอโลกจะเป็นผู้สุขเนทุกข์อยู่ในโลกเป็นผู้รอดเนผู้นวอยู่ในโลกเป็นผู้ป้อ่อยู่ในโลกเแต่ันิวมเห็นไ่ใ่เ เป็นมันหิเนี่ยโอ้มันก็ชื่นใจนะควานียวถ้าเราเป็นผู้เหนียวโชคแล้วใจก็ดห่เนียคนเนียวผ้าจะกอดใจบางใครโดนความนียวใจกอดกอดโกด้านหนาคนนี้วใช่ไหมใจหอเหียดเหนวผ้าโกด้านใคราว่าก็ไม่ได้ยามบ้าคนละคนเหนียวข่าวดีเสร็จกันนี่นะ ใจปลอกปลอกลันเงาปลาใจปลอกปลอกใสอบมันปลาทะเลเห็นปลาทะเลปลาน้าเข็มเราไปยกขึ้นจากน้มาวางบนเลือีนทางแป๊ะไปก็ตายไนใจสอบไม่เหมือนปลาหน้าเข็มปลาหน้าเข็มนี่เอาจับมาวางหัวเรือโดดมากไปปลาทะเลจัมาวางหัเลีนฐานแป๊แป๊สองสี่ คนเรามันต้องมีความทนทานอยากไปโขกง่ากันไปอยากไปทุกง่ายกันไปให้แข็งขันให้เข้มแข็งตลอดดูเราสร้างเราสร้างโขงเราสร้างโขงถาวให้เก็บชีวิตของเราัะไปอยู่ตรงนั้นทำไมรูดเส็อตัวรูดูเสือตัวถอนอกมอะะ อ, อกแล้วก็มันหิวเหน็นควาขอบคุณนะขอบคุณเลย ขอบคุณคนียวีใจนะเวลานีขโอ้เราเนี่ยอายุหกสิบเก่งปี้าน uh ีว้านี้คนวร้านนี่ันเนหลับฉันแต่ปันะนอเหขอบคุณขอบคุณความเหนียแล้วลูกคนปกติเต็มที่ไม่ตายไม่ตายเหนียข้าไม่เกสนุก็ไม่ตตายในเหนียข้าตายไม่ ถ้ไม่หิวอะไใจเนี่อนวันแลน้วยาันกููไม่หิวกูไม่หไม่งกนะรเลตายเลไหิวเลยะต้องกินกินหน้ากูละเดินหน้ากละตัวหิวหมดมามได้เลยีกินเดินหน้าเดินเทแล้รก็เบออกเดินลงไปเดินลงไปอย้ะเคยหมาจะนะแม่เอหนก่อนเอหนา ศูนย์ลบสิศนะูนยะสิวินทาวาเนพะราะาว่าเราหนักมันก็โดนแบเนนน้อยร้อง น, น, นะหาเชจอิ่มแวผ่าเลอผ่าทุ่งนาผ่าฟางท่นฟางนี่ขาวโผ่เลยไปแกะเอาดเป็นกัดเป็นกัดศูนยลบสินะนะัายาามดูอนไรไนะเน ตัวเห็นมันหนาะเห็นมันนะหนาวเพื่อสึกไม่ได้ค่เพนะื่ะเดินเท้าก้าวมานว่าหน้ารอบมือมันไหมนไหมมันก็ไมร่วงนะหน้าผาแกา้วก็เลยก้าวอปแต่ตรงที่มันผากรงนะเปนปมหนาวบาทีถ้าเราเป็นคนหนาวก็ร้องคนนะเราก็ให้เป็นผู้เห็นอย่าเป็นผู้เป็นเห็นมันหนาะเห็นมันหิน จะเป็นพู้ิวเห็นมันหิวถ้าหิวไม่เป็นกต่าถ้าหนาไม่เป็นกตายถ้ารอนไม่เป็นกต่ายลูกถึงไหเป็นนะธรรมชาติของลูกสัญญาใครของเขาขอแสดงออกเราก็ช่วยเขาถ้าเขาไม่แสดงออกมันก็ไม่ลูกเขาก็เป็นอันตลายอะไรกลก็เอกมาเป็นทุกข์มันไม่ใช่เอามาเป็นปัญญาบากก็หิวไม่เป็นปัญญาได้ไหมตอนร้เป็นปัญญาได้ไห ความหนาเป็นปัญญาได้ไหมความโกรกเป็นปัญญาได้ไหมความทุกข์เป็นปัญญาได้หมเอามาเป็นปัญญาเอามาเป็นการศึกษาพระพุทธเจ้าเนอ่างี้นี่คือทุกข์โอ้สาวเป็นมาเหตุเหตุเป็น่ตรงนี้เนี่ยท mid ุกข์เป็นผนทุกข <em> ์เป็นต่ว no ่าใครมันเป็นเหตุแก่แก้ที่เหตุอย่าไปตัดอย่าไปชะลออย่าปทุกข์อะไรก็ถึงทุกข์ทันที ไม่ช่ไมนใช่หรอกความทุกข์่ต้องเห็นเหตุเหมือนหมอที่ไปรักษาคนป่วยเราต้องแก้ที่เหตุเจาอาการมันใช่เป็นโรคของความทกก็มาคับมันมีเหตุอยู่เฉยๆมันจะทุกข <r collections> ์เลยในแต่ตอนน่้การมาศึกษาชีวิตของรก่อนที่มันจะร้อมันเป็นเพราะมันไม่ก่อนที่จะโกรธมันเป็นเลยมันไม่รุ้ ก่อนจะทุกข์มันเป็นแบบมันไม่รู้ตัวใหญ่จวันเป็นตัวหลเพราะเราหลงกิโกถ้าไม่หลงมันกรธไมด้เพราะเราหลงกินทุกข์ถ้าไม่หลงมังนทุกข์ไ ม, ด ไ, มได้ pied. ตรงนี้แน่นอนช่วยใหญ่เป็นตัวหลงตัวหลงเนี่ยเป็นตัวใหญ่สิ่งที่ิคิดกับความหลงออคือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวคิดกับตัวนี้ตัวเดียว เมื่อไม่หลงแล้วมันไม่เกิดอะไรหรี่คิดกันเลยมันไม่มากหรอกตัวรูกเปรียกเขไปเลยเทียบเข้าเลยที่คิดไหล้าไปเลยนะมันหลงเิดอะไรูกสุตัวรูสตัวนะคมูสตัวเาาได้ง่ายากไม่ามีวัสดุอุปกรณ์อดออกมาไ่ยนะูสตัวพเจ้าสอนวเราแหละ มีหลักเดียเราไม่ต้องไปคนหาไม่ต้องไปสูดไม่ต้องไปสูบจับมาเลยยกขึ้นมาหอยใจเข้าหอยใจออกเคือ่อนหายยกมังสร้างจังหวะเดิจังก ง, งการหมุนเดินจังกงหนักหน่อยจกไปย่อมย่อมนะวนัยเช่นหน่อยแอคทีฟเช่นหน่อยบ่อยเช่นหน่อยตะตตะ ยิ่งแจ่มแจ่มใสใจก็องยิ้มเลยใบหน้าก็สดชื่นกายก็เข็งแกรความนุ่งก็อ้าปากหาหลับตาทีก็อ่อนแออยากไปอ้าปากนะแต่นุงอไปอ้าปากนยปิดปากไว้ให้มันลงออกหูอืดอนะควางใบหน้าตั้งท่านี่การเปิดยตรงไหนที่มันอ่อนแอสร้างความเขงแกรง ตรงไหนที lamp, end, so ่มันติดแก้เ <z> ป <at> okay, uh, ็นคกให้ได้รูสตัวรูดสุดตัวยาเยางก็บกระตือไปนะเดี๋ยวกรหมูเขามันก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวมันอยู่กมเราตุกตนน้กันน่เราพอเราก็อุ่นใจในประสองในเพื่อมีมิตรไม่ว่ามันต่อริชาคริชาโอ้ยนาำหมาบคนเรานะ นมีเปรี้ยวมันมีเสือมนมีมตะ د าได้ยาคาของศพทิะฐาเอาญ้าคามาโปหน้าไต้ต้นโป่งก็รก็ไปดูแล้วต้นโป่ผนหน้าไปทางทิศตะวันตก่าแนแม่น้าเมลันฉลานั่งย า, า้าคาอยู่คนเดียวคนตกก็เปียกแต่ตออกก็ เราไม่ไม่มีคนตกก็ไม่เสียดนะพระพุทเจ้าของเราตอนที่สหาโมกรรมเนี่ยน้ำาดาลปกปอเราไม่มีเพื่อนเลยจุคนเดียวพอเรามีเพื่อนมีมิตรอยู่ที่นั่นก็มีเพื่อนคนนั่นผู้หญิงคนนั่นอุอาสิกาตรงนั่นแม่ชีตรงนั่นอยู่ตรงนั้นก็มีอาจารย์มีหลวงพมีครูบาอาจารย์ไม่เกลียดนะใช่เร มีเพื่อนมีมตรนะแล้วก็มีเพื่อนมาทำวัดสรวมจิงที่เราสวดก็มีแต่มีแต่ทำดีมีแต่สิ่งดีเราสาทยานก็เรามีวิธีการมีธีไมีบทมีฉบามีโอวาสวาสิตาเีเนี่ยเดีว่ายุบทองยุบธรรมคนไทยก็าเน่มีโอกาสเข้าถึงมากถึงผลมากที่สุดเพราะ าศ า, าสาศนาพุธศาสนาตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมงดนามไม่มีไม่มีวัฒนธรรมที่ไห น, นงดนามเหมือนกัคนไทยเราองพ่ไปรอกโลกมาแล้วหลายประเทศแประเทศแ้วไปสไปสอไปดูไปศึกษาคนไทยเราเป็นผู้ที่เหาะที่จะได้รับรูปรก่อนชาต พย้ยามเพียรพยายามแต่เ่องนี้บางชาติก็พัฒนาแล้วอกพัฒนาเขาสุดแล้วเขาสุดแล้วอางพระหลังมหาพรหมยังสอเรื่องืนะให้สอนแบบพระปรีชาตรัสรู้ของมหาสาตงแล้วเขาก็ไปไปประเทศสหรัฐน่พไปอยู่ ก็เปิดปฏิบัติทรรข้างแรกกำลังบอกบอกให้สอนแบบหลวงอเทียนนะอย่าสอนแบบอื่นนะชอบดีมันเป็นเซนดีมันเกท่มันสร้างเนยมันไม่ได้เป็นน่งองระโงตต า, าให้สอนแบบหลวงพอเทียนนะเขาบอกยนะจฟรีนะ่ไหมจะฟรีจะชอบมาจากฝรั่งเศสมมันจะ บ, บ้านแาแฟมาทุกปีปีละครั้งสองครัง้ง สอนแบบหลวงพ่อเทียนเราเราก็โชคดีเรามีครวบาอจากวิธีที่เราทำมันก็ใช้ได้จริงมันเป็นการปลุกขยิบเ้าลูกมันเปิดขึ้นมามีมือมียกมือเป็นสิบสี่จังหวัดลูกเป็นสิบสี่ข้างลูกเล่าลูกเก็ลูกเล่าด้วยโอ้เรก็ชอบแต่ก่อนพอนั่งหลับตาสงกโอยตายอยู่ตอนนั้นกันตั้งแต่ายสิบเกะปีถึงอายุสามสิบปี อยู่ตอนนั้นโจกับคนสนุกติ๊บไปทำมาก็อยากให้หนอมใหงหน้าคิดถึงห้องพระไปเกี่ยวภาพคิดถึงห้องพระวันไหนหนองไม่โอดไม่จ่ารักษาเนี่ยปรากฏว่าพอเปิดประตูห้องพรเข้าไปวิววิวนั่งยังไม่เรียกว่ามสนุแล้วติ๊จกุกพอเก่ยวกับคนสนุกก็ยังโกรธ้องยังโกรธให้่าให้เร็วยังมี ก่เลสเต็งปุกแต่เวลาขอบอไปสัวขงก็ชอบสมอนก็ไม่ไปถึงไ่ะพอมาสร้างจังหวะมายกมเคื่อนไปโอ้เราถือว่าเปิดโลกออกดูทุกอย่างเห็นทุกอย่างพอสมองขอเห็นพอสมองขอเห็นอยู่ตรงนี้แบบอยู่ตรงที่มันเป็นอะไอยู่ตรงกลางกลาแล้วก็ระหว่างกายระหว่าง่จ เราไม่อยู่ับเขาเรนะอยู่ตรยูกับตนอย่กคุณธรนเป็นคนดีน่แต่นาาตนเราโถตนนั่นแหลยเป็นที่พึ่งของตนไม่อยู่ในอนาของกายไม่อยู่ในอำนาของจิตจนะเห็นเห็นการเห็นใจตามควาดจรงิงนี่ในพวกเรามตรนี้กันนะนะวันนี้ก็สมควรเจริะ